อิดายะเสร็จแล้วเป็นร่ำห์มาอันนี้งานใหญ่มากจริงไม่รู้จะทันเปล่าเจ้าอาตัวมหัศมีข้อเตือนจากพระผู้อธิบายของพระองค์เนี่ยมีข้อเตือนมหัศจรร์หนึ่งมีชิฟะมียารักษาทุกโรคมีฮุดามีหิดายะทางนําสําหรับพวกเจ้าทั้งหลายนะแล้วก็มีร่ำห์มาร่ำห์มาตรงนี้นะ ถ้าจะมองว่าคุรานี่เป็นราะมานี่และมองว่าคุรานี่คือพระดารัตของอัลลอฮ์คือกามุ่นเคำพูดของอัลลอฮ์แสดงว่าราะมานีนะก็คือตัวพระดารัตของอัลลอฮ์นี่เป็นราะมันอันนี้เนี่ยไม่ใช่มักลุกก็คือคุณลักษณะสีฟ้าของอัลลอฮ์โดยตรงเลยอัลลอฮ์กลังบอกว่า ตวุรานี่เปนรั م م ้งมเมือนที่อัลลอฮ์เรียกนบีซัลลัลลอฮุนสัลลัว่าและและว่าไม่ส่งนักอิลล่ารั้มาตันลิอาลามีนแต่นบีนี่มักลุกไหมมักลุกสิอุรานี่มักลุกไหมไม่มักลุกมักลุกมว่าถูกสร้างอ่ะมักลุกถูกสร้างอุรานั่งมกลุกไหมไม่มักลุกอุรานี่เป็นส่วนหนึ่งของอัลล์เป็นคุณลักษณะสฟัของอัลลอ์ مِنْ أ َ ي َ ا ن ا ل ل ه َ ي ب ْ و ا ن س و ر ة ا ل ر و م ا ل ل ه ُ ي ب و ْ ف ا ن ظ ر إ ل ى آ ث ا ر ر ح م ة ا ل ل ه ك ي ف ي ح ي ي ا ل أ ر ض ب ع د م و ت ه ا إ ن ذ ل ك ل م ح ي ي ا ل م و ت و ه و ع ل ى ك ل ش ي ء ق د ي ر ف ا ن ظ ر ا أ م ح م د ل ب ن د َ م َ ن ُ ت َ ن ْ ع َ ا ن ظ ر ت ن م َ ع إ ل ى ي َ ا ْ ب َ ع ْ م َ ลั ہ, พลบรักษาดีแล้วพลบความความวาาเมตตาของ Allah คือจะยุง่งเหยื่อที่จะให้แผ่นดินที่มีแต่แห้งแล้งความแห้งแล้งมีแต่ต้นไม้ตายมีแต่ความแห้งแล้งแต่เ่าจะฟื้นคืนชีพแผ่นดินนี้เนี่ยให้มีต้นไม้ให้มีชีวิตงอกเงยมา นี่คือผลลัพธ์ของราะหมัิลล่าความเมตตาที่อัลลอบัญชาให้ฝนตกและฝนนี่มายังผืนดินที่มันแห้งแล้งแล้วดูอนุมัตจากอัลลอนี่นะทำไมเป็นดินนี่สามารถที่จะแทนที่จะเป็นผ่นดินที่แห้งแล้งมีแต่สีดำสีน้ำตาลสีทึบกลายเป็นสีเขียว ยูฮอัลลอฮ์ยูฮฟื้นคืนชีพมันให้เป็นแผ่นดินที่มีชีวิตชีวานี่คือผลลัพธ์ของความเมตตาของอัลลอฮ์ฝนเนี่ยมาคลุกปะมาคลุกถูกสร้างใช่ไหมถูกสร้างต้นไม้ที่มันงอกเงยเนี่ยมันมักลุกไหมมาลุก อันนี้เลืออซาีรมดีผลลัพธ์ของรมาของความเมตตาของอ l เช่น m u ر a m m a d มุฮัมมัดเนี่ยรักมาท่านในละอัลมีนก็เหมือนกันท่านเป็มุฮัมมัดนี่ก็เป็นรั م มเป็นมหาเมตตายังสากแลโลกแต่ท่านนอยู่มุฮัมมัดเป็นมขนุนนี่คือผลลัพธ์ของความเมตตาที่อัลล์ให้มายังมนุษยชาติทั้งหลาย เรายังยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันเห็ว่าและตัวคุณลักษณะอัลลอฮ์มาเนี่มหาเมตตาที่เป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ผลลัพธ์นะอันนี้คือคุณลักษณะศิฟธของอัลลอฮ์เองซึ่งอาย่านี้อาจจะตีความว่าคุรานี่เนี่ยเป็นความเมตตาหมายถึงว่าในการที่กุรานเนี่ย เตือนพวกเจ้าเตือนเตือนนี่แต่เตือนนี่มันเป็นคือตัวกุฎอ่านนี่มีข้อเตือนอยู่แล้วแต่การนี้เราที่ผมอธิบายเขาที่แล้วเนี่ยจะรับข้อเตือนหรือไม่รับนี่อันนี้เป็นการกระทํามุ่งเราเป็นการกระทํามุงเรากุฎอ่านนี่เป็นยาอยู่แล้วแต่การนี้เราจะเอากุฎอ่านนี่มารักษาอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวของเราเนาะเพราะบางคนนี่ไม่เชื่อากวุฎอ่านนี่เป็นญยาไม่เชื่อโผมไม่เชื่อแลก็มียินมีเสรีศาสตร์ผมไม่เชื่อหรอก เราเชื่ออะไรผมเชื่ออะไรที่มันจับต้องได้ไปหาไปหาจิตแพทย์กินยาทั้งชีวิตกุฎอ่านเป็นฮิดายะแน่นอนในกุฎอ่านนี่มีแน่ น, นแต่การนี้เราจะรับน้อมรับคาสัง่งของเาแล้วก็จะเข้าไปสู่ทางน้ำอย่างนี่เป็นการเคลื่อนไหวของเราระหมาก็เหมือนกันกุฎอ่านนี่มีละหมแต่การนี้เราจะให้ ความเมตตานี่ปรากฏในชีวิตของเรานีนา่นะอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวของเราถ้าเรามองถึงสิ่งที้อยู่ในกรนุรอานนี่คือสิ่ภาี่ของอัลล์ในบรราสีอยา่างที่มีอยู่ในกุรอานนี่ฮุดะเอ๊ะมาริอลชิฟะและก็ฮุดและกะรอห์มาไม่มีพระนามที่อัลล์ร่างมาจากสีอย่างนี้นอกจากพระนามอัลรอห์มานอัลรอฮี มีพระนามอันนูรุลฮะดีหรืออัลฮะดีที่อันนี้ก็จะเห็นก็จะเจอในในบรรดาพระนาม9กพระนามที่เขาพิมพ์ที่เขาพิมพ์ตอนท้ายของกุตตานน่ะนะไอ้ที่เขาพิมพ์เนี่ยอันนี้ไม่ต้องเชื่อนะว่านี่คือ9กพระนามที่นบีพูดถึงนี่ไม่ใช่อันนี้เป็นอิสติฮาดของอุลามาอันนูรุลฮะดีหรืออลฮะดีอุลามาขัดแย้งกันว่าเป็นพระนามอัลลอฮ์หรือไม่ เรายึดในทัศนาที่บอกว่าไม่ได้เป็นเนรจักรวาลกูรอ่ะไม่มีอัลฮะดีนิไม่มีอันนูรุลฮะดีไม่มีต่มีนื้ดิสอเลมาเขาขดแย้งกันเราฮาริสไซด์หรือไม่ถ้าอยงนั้นมอไอ้เานี้ไม่มีพระนามอัลวอนี่ไม่มีชิฟอัชาฟีไม่มีถึงแม้มีคนจะเอับดุชาฟี แต่ตัวคำอัาชาบีไม่มีอาจจะมีในบางฮะดีแสงที่บอกว่าทุกหะดีสีมีระบุ9กาสิบาพระนามนี่นะเป็นฮะดีสลอยฟ์อัลฮดีก็เหมือนแต่มีนี่ร ر ح มะกุรอานนี่เป็นรมะมีแน่นอนพระนามอัลลอฮนี่มีแน่นอนและเป็นพระนามหลักด้วยเป็นพระนามที่เราต้องอ่านทุกเวลาละมาด้วยทุกครั้งที่อ่านกุรอ่าน้ว้บิสมิลลาฮิอ์มานอฮมอั์มาน อสองพระนามสำคัญที่สุดทำไมสำคัญที่สุดเพราะอุลมามะไี้บอกว่าความเมตตาแหละเป็นคุณลักษณะแรกที่เป็นเหตุผลให้อัลลอฮสุบฮา น, นาห์จาระสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย ก่อนที่จะมีสรรพสิ่งก่นที่จะมีโลกจักรวาลมีมนุษย์มีอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีอะไรที่มีชีวิตไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่มีชีวิตนนั้นนอกจากอัลลอ์ดัง h a d i บันทึกบุคคละมุสลิมท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการอัลล ولا شيء معه อัลลอฮ์ทรงอยู่ทรงเป็นโดยที่กับพระองค์นี่นะไม่มีอะไรเลย ไม่มีนะจะกวาดไม่มีเลยแล้วอะไรล่ะที่ทำให้อัลลอฮ์กว่าข้าจะสร้างข้าจะทำเน้ัลลเอามาจากไหนเอามาจากสุราที่อัลลอ์สถาปนาในคุรานเนี่ยเฉพาะเลยเนี่ยพูดถึงผลงานของอัลลอ์ในฐานะเป็นผู้ทรงกรุณาอัราอฮ์ อัลเลมัลคุรานสิ่งที่สําคัญที่สุดนีนที่อัลลอฮ์ทำคือสอนสอนอะไรที่สําคัญที่สุดอัลลอฮ์สอนทุกอย่างนีแต่ที่สําคัญที่สุดในสอนกุรานแล้วเราสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายนี่แต่สิ่งที่สําคัญที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยคณากรรอินทร์สร้างมนุษย์ก็จริงด้วยมนุษย์นี่คือผลงานที่เลิศที่สุดในจักรวาลทั้งหลายและด้วยเหตุผลนี้ สามารถอธิบายท่านบางคนบอกคอัลลอฮ์มีพระ น, นามเยอะแยะเป็นหมดเลยเก้าสิบเก้ากับพ่อ น, นามอะไรนี่นะบอกอันนี้วงเล็บนิดหนึ่งเก้าสิบเก้าพระนามถ้าเซนต์ที่ถูกต้องนะมันไม่ใช่เป๊ะ น, นะค <c oughs> ือ ท, ทุกตัวเลขที่ท่านนบีนพูดเนี่ยเยอะแยะเนี่ยเจอสิบเก้าสิบเก้าอะไรเงี้ยอันนี้ในภาษาอ раб นี่หมายถึงมันมีเยอะและก็แค่ตัวเลขนี้แค่เป็นตัวอย่างแต่ไม่ได้หมายถึว่าต้องเป๊ะเ ป, เป๊ต้องเก้าสิบเก้าไม่จําเป็น อ่าแล้วก็ไอ้ที่เราก็ในุตตานทุกเล่มเนี่ยก็จะมีพระนามอัลล์มืกมวไปอธิบายเนี่ยทั้งหมดนี่นะสิเนี่ยจะหาสดนึ่งที่มาดมสลิมบุคลมุสลิมท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยะลมว่าอินนัลลฮิิาตนวะินัสมันทรอัลล์เนี่ยมีกบกพระนามที่สวยงามมันอซาฮาผู้ใดที่รวบรวมแล้วนี่นะตะคัลจนนะเข้าสวรรค์ได้นบีหมายวมมีเยอะ เยอะทั้งในกุตตานและก็ฮะดีษนี่มีเยอะใครที่สามารถรวบรวมได้นะไม่จำเป็นต้อง90อาจจะน้อยกว่าอาจจะมากกว่าก็ได้แต่มีในสายรายงานนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีผู้รายงานคนหนึ่งชื่ออัลวาลีดิบเนบักีะในสายรายงานนี่เนี่มีผู้ที่บอกว่าและ99พระนามนี่เนี่คือหนึ่สองสาี่ถึงเก้าสิบเก้าอันนี้เนี่ย มันเป็นการอธิบายของนักรายงานฮัลสและกาวารีดินนาบะกกี้คนนี้ในความจำเขาไม่ค่อยดีปกติแล้วในเขารายงานหัลิเนี่ยแล้วเขาจะบอกว่าและอาจารย์คนนี้เนี่ยนักเรียนคนนี้จะเขาบอกว่า99ินี่น่าจะเป็นนึ่แต่วันนี้ดินนาบัมารายงานบทหนึ่งบอกว่าท่านบาบีบอกว่าผู้ใดที่รวบรวมได้ข้าวรค์และ9ก้บั้งคืนหนึ่งสอนให้ดูเหมือนว่าไอ้ที่เราบูเก้านี่มันเป็นหายี่สุนทรนาบีซึ่งไม่ใช่ ไม่ม pass, Cold, ีนี่ะดีสิท่านนบีพูดวกานคืออันไหนเนี่ยไม่ม <int> ีหะดีสท่านนบีอาน้ที่เขาพิมพ์ก็ในอมาจากะดีอยหลายอย่างะในในในเรื่องศาสนานี่ก็มาจากะดีอยเหมือนอิรอียซีนอะมาอตกุนี่คนตายในอานยาซีนนี่เนี่ยทำกันเกินเลยเกือบทั้งโลกเลยฮะดีดอยฟจดเนไม่มีก็อย่าแปลกใจว่าบางทีมีมีเอะ Oh, 99, โอ้กสมีเก้าสิบเก้าพนาวอ่ทองกันแนละ้วผมไปหาหาหนาชีดมาเลยดิไอหนาชีดที่มานานาันน่ะนะลอีแล้วอีแล้วมาท่ อ, ทองนท่องจำเก้าสิบเก้าแล้วก็มีประกวนนะ่ะใครจำได้ไหมเก้าสิบเก้าพลนานี่มาอ่านกนะ็อ่านขึ้นมาอ่านนาชีดนี่เนะจำได้ทั้งหมดนะัง <laughs> ตึ้งูเป็นตาเป็นเรื่องเปนราวแต่ไม่ใช่ มีมีพระนามองค์ล์อย่างที่เคยบอกกบมีอุลามะอับดุฮะซว่าพระอลอร์บิบผู้ทรงรักษาอยาอุลามะนมาเขาไม่เห็นด้วยแต่อบุฮะซเาอาดีเรื่องนี้มีมีข้ดีบอกนะมันดูอัล์มัตเตลลลัลลอฮฺอัลลอฮ์สัลลัมในบอกว่าอินนัลลอฮฮะยีฮะยียุนสตีร แท้จริ Allah, งแล้วอัลล์ทรงทรงละอายหายยุนหายินี น, นามนะเล่าถึงอัลล์นี่ในฐานะร่างคำสพบ์นี้เป็นนามหายยุนพระองค์ทรงละอายสิตรทรงปกปิดเมาของพระองค์นี่นลำบากนี่อัลลอฮ์ก็จะละอายเขาเนี่แล้วก็ปกปิดเขาโอเลามาแบั้ก็บอกว่านี่ ในบรรดาพระนามเราก็มีไฮยุนคยดยุนสิตรแต่ในเกาพระนามนี่นะมีอัสสัตต์ซึ่งอันนี้ไม่มีฮะดีซึคุอานไม่มีแต่ก็มีคนก็ตั้งชื่อยอับดุสตรนี่ก็มีแต่ไม่มีอัสสัตต์นี่แต่ิตรไ่มีแต่คนตั้งชื่ออับดุสิตรไม่คยมีน้อยมากก็ก่อนนั้น ผมหว่ยยยามที่เฝ้าเฝ้าเฝ้าหมู่บ้านเนี่ยชื่อ عبد ุลนซิรผมถามใครตั้งชื่อให้เนี่ยผมอุยอุยาตยานี่แหละนซรนี่เอามาจากไหนไม่รู้นี่นซรนี่ไม่มีเลยนซรนซรนี่บภาคีนะนซรนี่คู่เคียงอะอันนซนีุลนซรเนี่ยคือบ่าของภาคีของผู้ใกล้เคียงกับอัลลอ์นี่ ตั example, our ้งมาได้ไงนี่บางเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเราเราสืบทอดความรู้อะไรกันมานะเยอะแต่ก่อนโนก็มีมีในสังคมมุสลิมซุนดีนะซุนนีนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชีอะลัยไม่ใช่ไม่ใช่คริสต์นะอับดุลรัสูลอับดุลรัสูลบ่าวของรัสูล แต่เขาตีความไงบอกว่าบ่าของกูเป็นทาสของเราสุกูเป็นเป่าของเรัสูลเนี่ยถ้าถ้าฉันอยู่สมัยนบีเนี่ยผมขอเป็นทาสเลยอ่ะเขามองอย่า ง, งานั้นไม่ใช่หมายถึงว่าเขาเป็นเราสุนหรือจะเป็นพากีกับอัลลอฮ์เนี่ยเขามองอย่างนั้นแต่มันก็ไม่เหมาะเหมือนกันไม่ไม่ควรและทีหลังนี่ก็ก็ <c oughs> ก็เปลี่ยนกันอในสำเนียงในสำนวนหรือในความหมายว่ า, านทนธรรมของภาษาอับเนี่ยบุคคลเป็นทาสเนี่ยแทนเป็นเด็กในเะขาได้กูราม กาไหเด็กมหนี่เหมือนบ้านเถ้าก่อนนไคนรับใช้เด็กๆนี่เด็กๆไหนี่ใช่มอ้นนี้คนที่เป็นทาสถ้าเป็นเด็กดก็้วเนี่กูลามวัฒนธรรมอินเดี ย, ยที่เป็นมุสลิมมาเนะ่เขาก็หยิบมาใชา้ใครจะมาตั้งชื่อมมฮัมหมัดชื่ออาหมัดนี่นีบ่บังอาบบักไม่มีนะอินเดียไม่มีใครตั้งชื่อชื่ออหมัดชื่อมฮัมหมัดไม่มีนะต้องนำหน้าด้วยกูลามอหมัด กุลามฮัมมัดกุลานี่ก็คือเบานั่นแหละเบาะ่ทาท่ของบางอาไม่จะตั้งชื่อชื่อนบีเองเ น, นะบางอานาบีสูงส่งตั้งชื่อส่วนตั้งชื่อโมฮัมมัดนะ่ะแล้วก็ตัวเองไปทาบาปอะไรชั่วๆแล้วก็บอกว่าไอ้มฮัมมัดนี่มันชั่วจริงๆเนี่ยเขาเข า, เขาต้องการปกป้องเนะลยก็ไม่มีผลไง กูลาออาห์มัดกูลาอ ม, มุฮัมมัดนก็มีเหตุมีผลน่ะแต่ตั้งชื่อนบีนี่ได้อห์มัดนี่ได้ท่านนาบีพูดชัดเจนล้วคัีอตวผูอีนะมุสลิมแต่ซ้ำมาบิสมิวลาตะกันมาบิกุญยตีจงตั้งชื่อเหมือนชื่อฉันได้ตั้งชื่อเหมือนชื่อฉันได้แต่ฉายาของฉันนี่นะยอย่าตั้งทาไม เพราะสมัยนบีเนี่ยไม่มีใครจะตั้งไม่มีใครจะเรียกฉายานบีนอกจากพวกยูฉายานบีเนี่ยอับุลกอสิมเพราะบุตรชายของนบีคนแรกในชื่ออัลกอซิมที่ได้มาจาก่านอินคอร์ดิยาต์แตเสียชีวิตท่านนบีมีลูกอยู่สองอัลกอซิมแล้วก็ตยิบศาสนาส่วนมากนะนะมีสองท่านแล้วก็เสียชีวิตฉายาของนนบีอัลกอซิมอับุลกอสิมเพราะนั้นมีลูกชื่ออัลกอซิม แล้วว่าอย่าให้ใครเรียกฉายาเหมือนฉันแต่เรา穆斯林มีตั้งชื่อโมฮัมหมัดนี่ได้ชื่ออาหมัดนี่ได้แต่อบุลกาสิมจะใช้ฉายานี้อัลามาบางท่านบอกว่าเลือกอย่างนึงอย่างใดคือท่านนาบีหมายถึงว่าถ้าจะตั้งชื่อโมฮัมหมัดก็่ะใช้อบุลกอซิมแต่ถ้าใช้อบุลกอซิมก็จะใช้โมฮัมหมัดเพราะถ้าหากว่าใช้ทั้งสองนี่นะโมฮัมหมัดอบุลกอซิมนี่ตั้งใจเรียนแบบนบีแล้วเนี่ยซึ่งไม่ควร แต่พรากฏว่ามีอุลมาที่ชื่อมุฮัมมัดและก็ชายาอับุลอซิมอิหม่ามราฟิอีนี่ที่เป็นคนดังในมัซับชาวีเนี่ยชื่อมูฮัมมัดชายาอับุล قاسم เาก็มีทัศนคว่าอ๋อนี่นนี้ไม่ได้ห้ามขาดไม่ได้ห้ามแบบว่าบาสนะก็ไม่ควรเท่านั้นอันนี้นอกเรื่องหน่อยอันนั้นบอกว่า สรุปแล้วอัลลอฮ์มาราฮีมนีนี่คือพระนามของอัลลอฮ์หลักๆเอามาจากไหนอะวะหลักๆเพราะเป็นพระนามสองพระนามที่อัลลอ์เริ่มต้นหลังจากพระนามยิ่งใหญ่ของอัลล์นี่คืออัลลอฮ์อัลล์นี่เป็นนามหลักบิสมิลลาห์ละทำไมไม่เรีบิสมิลลาหิลฮะดีบิสมิลลาหิสลามิยะลบซรพระนามยอแยะ ยืนยันใมดล่ะ باسم الله تعالى ا ل ر ح ร ن ร ل ر ح ีมแล้วไม่พอนะ الحمد لله رب ا ل ع ล ل م ي ن ا ل ر ح ั ن الرحيم ยืนยันในสองคุณลักษณะนี้ในสองสิในสองพระนามนี้เนี่ยถึงความสำคัญของพระนามนี้สอดคล้องกับคำกับคสั่งสอนอื่นที่บ่งบอกว่า ศาสนานีคือศาสนาแห่งความเมตตาอัลลอฮุ سبحانه และ تعالى มีคุณนักษณะและพระนามมากมายพระองค์ทรงกริว้วอัลมุนตะกิมทรงกริว้วลงโทษ ด, ด้วยความโกรธกริว้วคนที่ฝ่าฝืนพระองค์ แต่เร้อย่าบุกรืและมุสลิมท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวัลลัมได้บอกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าสบการทรหมตีขดบีความเมตตาของข้าได้มาก่อนความโกรธกริ้วของข้านี่เป็นลักฐานเชิดเจเลยนะครับว่าศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งความเมตตา จนเปนเหตุผลว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่บอกว่าตัวท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุซาลัยฮิสสลามเป็นมหาเมตตาลิลกาลามีนดสาลนกตัวท่านนบีมุฮัมมัดเองอะไรเมตตาสากลนรกตัวท่านนบีมุฮัมมัดได้นมาซึ่งุรานละอัลลอฮ์บอกว่าคุรานนี่เป็นอะไรรัห์มนตุนลิลมุอมินนแสดงว่า แสดงว่าหลักการอิสลามนี่คือหลักการแห่งความเมตตานักมีศาสนอิสลามนี่บอกว่าหลักการของศาสนานี่มีหลักการสําคัญนักวินิจฉัยตัวบทเนี่ยเวลาเขาจะวินิจฉัยต้องคํานึงถึงหลักการนี้เพราะหลักการนี้นํามาจากตัวบทเป็นร้อยบท ที่มาพูดถึงความเมตตาของศาสนาหลักการนี้ในีิศาสตร์เขาเรียกว่าอำนาจขัตตุตจิลบุตเทศีรความยากลําบากจะเรียกร้องมาซึ่งความง่ายได้ทุกเรื่องเวลานักวิณิชัยหลักการนี้เวลาเขาเห็นว่าหลักการนี่ถ้าจะปฏิบัตินี้มันจะลําบากนะเขาก็จะฟัดตัวในแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกให้อิมามชาฟีจึงบอกอิาชาฟีนี่เป็นนัก วุนี่ใชที่ดังที่สุดในโลกในประวัติศาสตร์ท่านบอกว่าคุณละมาวะกันอมรุตตะเมื่อได้เห็นทุกกรณีที่คำสั่งสอนจะทำให้เรารู้สึกขับขันนและและการศาสนาก็จะมีช่องเปิดให้มันกว้างขึ้นแสดงว่าความเมตตาหนี่ที่เราต้องการไม่มีอะไรในหลักการในคำสั่งสอน ที่ทำให้เราบากนี่นะอัลลอฮ์ต้องการให้เราลําบากมา جعل عليكم في الدين منحرج อัลลอฮจะมิให้กิจการของศาสนาในคําสั่งสอนของข้านี่นะให้มี ح ร ج ให้มีความลําบากมีความเดือดร้อนถ้าเดือดร้อนน่ะนะยกเลิกไปก่อนเอาแล้วบอกว่ายืนล้วมานี่ต้องละมาต้องยืนนะฟั่ตูนี่ต้องยืนนะยืนไม่ไหวครับเราไม่ไหวจริงๆไม่ไหวกันนั้น นั่งกนั่งก็งกไม่ไหวอนอนจะอะไรจะอ๋อแลนั่นลมาไม่ไวนะ้ำมันเย็นมากาเย็นนมนั่นลมาชักเลยนะมันเย็นมากเลยไม่ต้องอานลมาแต่ยมมุมแต่ยมมุมไม่มียังไม่มีดินนี่จะทไอ่ะไม่ต้องแตยมมุมแล้วะลมาดยังไงเงินลวมาดยัไงตามสภาพตามความสามารถระนดิลลมีนแล้วก็มนีอยู่ในคุรานะ ทั้งหมดเนี่ยเรื่องความเมตตาเรื่องความง่ายดายในเสี้ยอยู่ในกุฎานั่งนั้นน่ะจึงมองที่เราจะบอกว่าจะแอดโคจกอัมประบูมิรบิคุมจะครัวบาลของพวกเจ้านเนี่ยนะมีรัมมะในกุฎานนี้มีรัมะและได้เห็นได้พบอุณามาหลายคนเนี่ยที่เขาฟะตวาเนี่ยเราจะเห็นในบรรดานักกุนิชัย นิกายอสลามในสฮารบ่าเนี่ยจะมีสองคนที่มีมีผลงานในการวุนิไฉหลักการเยอะแยะมากมายในมีสองคนอับดุลลาห์เนียบและก็อับดุลลาห์เนอุมรอับดุลลาห์เนอุมรนี่จะมีชื่อเสียงเวลาเขามีฟาตวเรื่องอะไรนะจะคาตในด้านที่มันเข้มงวดเขาจะเรียกว่าเตชดีดอับดุลลาห์เนี่ยป็นเรื่องชิดดดา เข้มงวของอับดุลลบินอับบาสเนี่ยเวลาเขาวาตันีมักจะพบเฟตัวาจะเป็นเฟตัวที่ผอมพร่นปรากฏว่าคนที่มีความรู้ในเรื่องคุตั้นมากที่สุดนี่คืออับดุลลาบินอับบาสมะฮ์มห์ดุลลาบินอูมรและฮะริษมันเลควาริลมุสลิมจ้านบีซัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวซัลลัมแทนท่านอิชาร์บ ท่านชาลาริสเนริงะนนีอาชาลีวมาขี่รรสุลลัยซุลลัลละอุสซาบินะอัมร์นีอิลลัฆตาร์ทัลิษะห์มามาไ่เคยคุณอิสมาท่านมัีถูกให้เลือกระหว่างสองอย่างนี่นะที่ทาได้นะท่านมัน ن ن ีจะเลือกสิ่งที่ง่ายที่สุดถ้าไม่บาปเลือกสิ่งที่ง่ายซึ่งมันตรงกันข้ามกับคนบางคนที่อ้างว่ากูกูเข่ง้นสองอย่างนี่เลือกอะไรเอาที่เข่งวันนะไนไหน อันนี้แถวกว่าไม่เสมอไปเนยไม่เสมอ ไ, นะ ไ, ไปที่จะพิสูจน์แสดงตัวเองต่อเราว่าโอ้ Allah ฉันเค็งครับในเรื่องหลักการไม่เปล่าพรากฏว่าที่เค็งที่สุดเนี่ยตามน บ, บีใช่ไหมอ ะ, ะบบอะไรกันนบีทําอะไรนบีเลิกง่ายที่สุดเช่นเดินทางไกลอย่างเนี้แล้วมาดเต็มนีปได้แต่ละหมาดย่อเนี่ยง่ายกว่าน บ, บีเลือกที่จะละมัดย่อ ทั้งเรามาเต็มนี่ะแต่เมีไม่ละามาเต็มไม่เคยละมาเต็มเลยถ้าเดินทางไม่เคยเลยไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์นบีนี่นะตั้งแต่เริ่มมีละหมาดเนี่ยและเริ่มนบีเดินทางะสิบ็ปีเนี่ยนบีละหมาดยอดตลอดถ้าเดินทางแตคนบางาว่าโอ้เดินทางมันไม่ชัวร์มันเ0็ดมันมแน่มันไม่แน่อา เ, เ, เ, เอาที่ชัวร์นี่เอาที่ชัวร์ ละหมาดเต็มผลของการละหมาดเต็มนี่นะคือต้องละหมาดซุนนาด้วยไม่ใช่ต้องนะหมายถึงว่าควรไงคือในเมื่อละหมาดเต็มแล้วก็ถือว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่มูซาเฟตเนี่ยคนเดินทางก็เต็มเนี่ยมันก็ต้องมีก่อนแล้วมีหลังอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าละหมาดย่อนี่นะถ้าละหมาดย่อเนี่ยซุนนาอับดินนี่เมื่อละหมาดย่อนฉยเลยไม่ละหมาดซุนนาเลยก่อนและหลังนี่ไม่ละหมาดเลยยกเว้นซุนนาของซุบีอย่างเดียว แต่สุน나ของทุรรีของมักริดเนี่ยไม่ละหมาดทำไมอ่ะอับดุลลาห์เนี่ยาซึ่งท่านก็เป็นคนเข้งอยู่แล้วนะอับดุลลาห์เนี่ยเขาบถ้าข้าบเจา้าถ้าข้าเจ้าจะละหมาดสุนนะขณะเดินทางขณะเดินทางเนะี่ยข้าบาาะเจ้าก็ละหมาดเต็มดีกว่าสิหมายถึงว่าละหมาดยอดี่บางคนละหมาดยอแล้วยังจะละหมาดสุนนะอีก ไม่ต้องคือท่านละหมาดย่อนี่ศา ส, สนาอำนวยความง่ายเพราะคนคนเดินทางนี่ยุ่งหาท่าที่ละหมาดจะหาที่อ่นแล้วละหมาดโอ้มันยุ่งแค่ละหมาดฟังดูนี่ก็ถือว่ารอดแล้วศา ส, สนาก็เออทำแบบนี้นะแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองบอกพร่องนะตัวเองนีสุดยอดแล้วดีแล้วบางคนบกว่อ้มั น, ม, นมันละหมาดแค่สองอ่ย่อนะสุดนั้นเอา เ, อาเอาสักหน่อยนะ เอาสัหน่อยไม่ไอ้เรื่องนี้เรื่องลักการศาสนาไม่ใช่เอาสหน่อยตัว น, น, น, บ, น บ, บีละหมาดไหน บ, บีที่ละหมาดที่สอนเราให้ละหมาดยอเนี่บีละหมาดละหมาดซุนนะหลังก่อนไม่มีมะไม่มียกเว้นซุนนะคุสุนีกนะ็ทาทเหมือนน บ, บีอันนั้นนี่ยก็แข่งแข่งนี่คือตามน บ, บีนะไม่ช่แข่งเร่ออ๋อน บ, บียังไงนี่เราต้องเจ๋วกว่า น, น บ, บีไอเนี่ยเสีย ม, ม า, ายะเพราะเคยมีเาชน สมัยท่านนบีเนี่ยแบบเนี้ยที่เคยมีแบบความพึกเขินแบบนี้มานั่งคุยกันบอกว่าโอ้นบีเราจะมาเทียบกันนบียังไงนบีนี่อัลลอฮ์ให้อภัยเขาแล้วเรานี่ต้องขยันมากกว่านี้คนหนึ่งบอกว่ากูไม่แต่งานเพราะไอเรื่องแต่งงานเนี่ยมีเมียมีลูกเี่มันุ่นวุ่นวายแต่ทาไมบาด้านี่ไม่ได้นี่จะไม่แต่งงานจะได้ทำไอ้บาร์อย่างเดียวอีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยฉันจะถืองสิ่ทุกวันเลย จะได้เตือนตัวเองว่าอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราต้องส ม, มถาที่สุดอีกคนนึงบอกว่ากลางคืนนี่กูไม่นอนละมามลเลที่ยมุมดเลยทั้งคืนเลยไม่ใช่ละมาอิดเนี่ยแล้ว่ะทั้งคืนเลยทั้งอิชายันซุบซิอนแบบนี้ทุกวันเลยมีคนไปรางานคิดดูสิคงเป็นคนที่คิดตัวเออพวกนี้เจ๋านะแต่ เผื่อไว้หน่อยนไปปรึกษานบีทำแบบนี้ดีไหมเพราะนบีรู้แล้วเนี่ยนบีนบีไม่พอใจไม่พอใจถึงขนาดที่เรียกซาบ้ามาแล้วก็ขึ้นมินบ้านมีเตือนเลยนะมีคนหนึ่งเขาบอกว่าฉันยังงุ้นอย่างนี้แต่ยฉันจะทำยังงุ้นอย่างนี้แต่ฉันนี่นะผู้หญิงฉันก็ทำงานกลางคืนฉันก็นอนหลับบางวันนี่ฉันก็ถือสิบหลายวันนี้ฉันก็ไม่ถือสิบนถือบ้างไม่ถือบ้างฉันจะเป็นแบบนี้ และนี่คือสุน na ของฉันฝ่ามรรคีบังสุ น, นตีฝรยามินีและใครที่แนาสุน na นของฉันเนี่ยก็มาชี้บวกของฉันนี่คือความคิด น, นี่คือความเคร่งของท่านนาบีและคือความเมตตาของท่านนาบีวิถีชีวิตของท่านนาบีเนี่ยทุกคนนี่นะเอื่อมได้หมายถึงว่าทุกคนเนี่ยสามารถดูสุนน na ศึกษานะแลแ้วแล้วจะทำได้ปฏิบัติได้และถือว่าปฏิบัติตามสุน na น, นบีต้องเข้าใจนะ คำว่าซุนนะไอคนนี้เป็นซุนนะคนนั้นเป็นซุนนะเนี่ยไม่ที่หมายเนีว่าขึ้นสถาบันนี้สถาบันนี้ก็เป็นซุน น, นะเนะ่เรียนที่ไหนมาอ๋อแถวแสนแสบเนี่ยอ๋อไม่ซุนนะมัผิดเพี้ยนนะคนที่พูดคิดแบบนี้เพี้ยนนะเพี้ยนไม่ใช่ต้อครูไม่ใช่โรงเรียนที่จะชี้ขาดว่าไม่ช่องทีวีนี่จะขี้ว่าช่องของใครของคนไหนนี่แสดงว่านี่เป็นซุนนะเนี่ยไม่ใช่เนะ สุ น, นัขนี่อยู่ที่ความเชื่อและการปฏิบัติของท่านเนี่ยเหมือนนบีไม่้ช่ท่านนสุ น, นัขขอให้โลกทั้งหมดเนี่ยออกไปรับรองว่าท่านไม่สุนนัขนี่นะจับฉีกเลยไม่ต้องไม่ตรงยุ่งไ ป, ไ, ปไปตอบกันนะโอย เ, เราทํานี่ยนะผู้ที่จะมาตอบแทนเราที่จะมาพิพากษาเรานี่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนเราต้องการดื่มน้ำจากบ่อน้ำ นบีไม่มีบ่อน้าอาจารย์คุณนมอาจารย์มันไม่มีบ่อน้ำนะเียบอกเนวันเี่มานอาจารย์สุนนะท้งหลนี่ไม่มีบ่อน้านะอได้หวังว่าเดี๋ยวกูตายแล้วเนี่ยไปดื่มบ่อน้อาจารย์คุณโนอาจารย์คนนี้เป็นสุนนะไม่ต้องหวังเลยนะมีบ่อน้าเดียวของท่านนบีตั้งใจว่าในโลกนี้เนี่ยทาตามสุนนะในของอาจารย์สอนอะไรเนี่ยอาจารย์เป็นสุนนะนะสุนนะใช่สุนนะอย่าอย่าสรุปเนะว่าอาจารย์ทำเนี่ยน่แสดงว่าเป็นสุนนะ เห็นอาจารย์ทำ ม, มานะทําเหมือนอาจารย์เลยไม่ต้องถามเลยอยู่ครั้งหนึ่งผมนําพี่น้องไปทําองค์รัชมาไปทําหัทหัทเราคนเยอะไงแล้วเรานะํากลุ่มของเราใช่ไหมนำกลุ่มกลุ่มของผมในตอนนั้นก็หกสิบเจสิบคนนะ่ะเขาก็ตามผมมานะผมไปไหนในโก็ตามยิงกับผู้หญิงไงนะพุะทธตา อยู่กันคนเยอะเนี่ยแล้วเขาจะรู้ยังไงเขาจะเห็นยังไงผมก็ต้องยกมือ่งนนเขาจะได้เห็นผมยังไงยกมือเขาก็ยกมือหมดเลยผมยกมือยังไงเออก็เห็นเชืยกมือเลยไม่ใช่ไงอันนี้คือตัวอย่างอ่ะคือบางคนเนี่ยเขาเชื่อใจอาจารย์จริงๆถึงขนาดที่อาจารย์ทําอะไรอย่าง น, นแะแปะแป๊ะเลยไม่ใช่เราต้องศึกษาด้วยต้องเรียนรู้ด้วย เราได้พูดที่ผ่านไปแล้วอย่างไรพูดถึง <c oughs> สิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้จากความเมตตาที่มาจากกุรอ่านสัมผัสได้อ่านกุตอ่านในคนที่อ่านกุตอ่านเนี่ยจะเป็นคนที่นอบนอ้อมท่อมตนอ่อนโยนมากกว่าคนที่ไม่ได้อ่านกุตอานฉะนั้นนบีไม่ถือว่าคนที่อ่านกุตอ่านเคร่งครัดอ่านกุตอ่านแต่แข็งกระด้าง จะมีกลุ่มชนที่จะมารุ่นหลังเนี่ยอ่านกุศอ่านเคร่งคัดนบีบอกขาดิส บ, บุนทึกตุบขรรยาอิสลิมจะมีกลุ่มชนในรุ่นหลังนี่นะแต่นบียกตัวอย่างนี่มันจะมาจากมันจะมาจากชื้อสายของคนคนนี้ซึ่งเป็นคนกระด้างเสียมรารยาทเคร่งคัดศาสนาละหมาดเคร่งคัดมากแต่บางอาจเนี่ยมาจับเสื้อนบีเนี่ย เพรน บ, บีนี่ต้องยุติธรรมนะแบ่งตังเนี่สจตะตังเนึ่ยไอ้สับเฉลยเนี่ยน บ, บีต้องยุติธรรมนะความบังอาจของคนที่เสียมารยาทกับ่นน บ, บีแบบนี้เนี่ยถ่านไม่ไ้เป็นคนขี้นะมีรายงานว่าคนคนคนนี้เนี่ยคนคนนี้เนี่ยอุลมามะเขาบอกว่าน บ, บีนั่งจะว่าน บ, บีตำหนี่เขาเนี่ยเขาสแสดงว่าเขาไม่ได้มีอีหม่าที่เคลื่อนข้าจริงๆแต่เป็นการสแสดง แต่นบีบอกว่าจชกคสายตะกูลของคนนี้เนี่ยคุญมีงพระเฮริแต่ะเสายตะกูลของคนเนี้ยจะมีคนอ่านกุรานเยอะกเียคุรอ่านคุรันยังเข่งขัดเลยแลอยู่จะวิจุตระกียรุแต่คันที้เขาอ่านเนี่ยยังไม่ถึงลูกกระเดือกเลยยังไม่ถึงลูกกระเดืองนี่หมายถึงว่าแค่อ่านอ่านเยอะนะแต่มันไม่เข้าถึงหัวใจ ลูกก็เดอยู่นี่ไะอ่านก็อ่านก็อยู่แค่นี้แหละแต่ยังไม่ทันไปถึงหัวใจไปถึงสมองแล้วก็งอกเองยมาเป็นผลผลิตเป็นภาคปฏิบัติวิถีชีวิตที่งดงามไม่มีซึ่งนบีได้บอกว่าเล็กษณะของเข้านี่คืออะไรยามุรุกูนะมิเนลิสลามีกะมาหยามุรุคุสเซห์มิลพวกนี้เนี่ย จะพุ่งออกจากศาสนาเปรียบเสมือนธนูเนี่ยตอนถูกยิงมานี่มันพุ่งออกจากมันพุ่งออกจากไอเส้นของธนูเนี่ยมันจะพุ่งออกจากศาสนานี่ง่ายมากที่สุดคนที่คล่งแข็งกระด้างไม่อ่อนโยนเป็นเช่นนั้นกันเกือบทั้งหมดเรียนรู้อะไรมาเอ้ยตรงอย่างนี้ต้องเป๊ะเป๊ะปดปดทุกอย่าง คนก็กระชื่นชมโอ้โหนี่คนนี้เคร่งค น, นมันไม่สามารถดูได้แค่เดือนสองเดือนปีสองปีไม่ใช่ผมเคยกับบอกกับพี่น้องแลมาซูโบโตรงเวลาเนยวันหนึ่งสองวันนี่ไม่เก่งหรอกใครๆก็ทำได้ตั้งนาฬิกาก็ทำได้แต่ห้าสิบปีจ็ดสิบปีชีวิตที่เหลือนี่แลมาซูโบนี่เป๊ะตรงเวลานไม่ใช่ว่ารอให้มันตะวันขึ้นก่อนนะนะ สปีเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยตั้งแต่บรรลุศาสนาะเพราะว่าท แ, แบบนั้นเน่นี่เองแต่มันจะพิสูจน์เมื่อไหร่เนี่ยต้องดูสิตงมันต้องดูระยะทางของของคนนตรงวัดยังไงอ่นีต้องดูเรื่อยๆแถนนั้นจะชี้ว่าใครเข่งใครไม่เข่งนี่นะไม่ใช่พเรื่องเดียวคนนี้เข่งพอะเรื่องเดียวมันเป็นไปนไม่ได้ ความเมื่อข้นนี่นมะันเป็นเรธรรมดาเนี่ยของของคนที่ปฏิบัติตามหลักการศาสนานี่ไม่ใช่ว่าคนเลยเถิดนะขึ้งนี้ก็หมายถึงว่าคนที่พยายามอยู่ในในกรอบการของศาสนาแต่ที่ไม่อนุญาตสําหรับคนที่ปฏิบัติตามหลักการศาสนาเนี่ยที่จะแข็งกระด้างแข็งกระด้างนี่หมายถึงว่าได้นาเสนออิสลามในมุมมองที่ให้คนเห็นว่าอิสลามยาก อิสลามเป็นวิถีชีวิตที่ไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะเขาได้นําเสนอเรื่องราวของอิสลามผิดที่ผิดทางเช่นเฮ้ยละหมาดฟัดดูนะอันนี้พอรับได้เฮ้ยหลังฟัดดูนี่มีซุนนะต้องละหมาดนะไม่ละหมาดไม่ได้นะที่โมุรโคโนี่ในศตวตรรษในศตวตรรษที่หกิีจะราดอีก มีอนานาจักรเกิดขึ้นจากผู้รู้กลุ่มหนึง่งผู้รู้กุ่มนี้เนี่ยเขาจะเอาลูกศิษย์มาเนี่ยมามาอบรมอบรมสี่เดือนสี่เดือนนิดต้องละหมาดที่มสัสยิดรดูที่มสัสยิดและต้องละหมาดซุนนะคนนี่ขาดละหมาดซุน น, น่าในถูกขียนคนนี่มาละหมาดไม่ทันเนี่ยเป็นมัสบุกนี่ถูกขียนตามจำนวนที่เขาพลาดอะถูกขียน ซึ่งสมัยท่านอบดเบี๊ยนไม่ไทําเลยเขาสามารถที่จะก่อตั้งอาณาจักรของเขาเนี่ยเพราะเขาได้กลุ่มได้ได้รวบรวมคนกลุ่มประจํำนวนมากแล้วก็ตั้งอาณาจักรแต่อาณาจักรนี้อยู่ไม่นานอาณาจักรชื่ออัลมุราบิตีนอาณาจักรนี้อยู่ไม่นา น, น, า น, น, านเพราะอะไรเพราะ ม, มันมันขัดกับสิ่งที่มีในหลักการศาสนา คุนต้องเข้าใจว่ารหมะตุลลิลมูมินีนถ้าเราอยากจะเป็นมุมินที่แท้จริงที่มีข้อบุญกับคุรานีนะสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนที่เรียนรู้คุรานเนี่ต้องเป็นคนที่อ่อนโยนนอบนอ้อมทำตนไม่แข็งกระด้างแล้วมีความยืดหยุ่นกับตัวเองและคนอื่นกับตัวเองไงอ่ะเออเราเราเนยเป็นนับสูรเราเนี่ยเป็นจิตใจเป็นดวงวิญ ญ, ญาณ ที่ไม่ได้เป็นสเปคเดียวคือเราไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นเป็นก้อนหินอย่างเงี้ยไม่เราเป็นมนุษย์เป็นคนที่มีจิตใจที่มันหลั่งไหลมันไปนูน่นไปนี่เนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีความกระตือร้รนกับไปบ้านเนี่ยเดี๋ยวก็มีอีมานมันก็ลดลงเราก็ต้องบริหารอย่าโขม อ, อย่าอย่าแข็งแกร่งเกินไปอย่าทาให้เราเนี่ยพอถึงจุดแนเนี่ยไม่ได้ ฉันต้องทําแบบนี้ตลอดชีวิตฉันขอบนบานเลยว่าจะตุกอย่นี้ทดลองก่อนไหมดูก่อนว่าเออรถนี่นะ่ะมันไม่ใช่ว่าขับเลยว่าจะเกียร์ห้านี่มันจะได้ทุกคันใช่ไหมเพราะยังไม่ทันจะขึ้นเกียร์สามเนี่ยก็ไปไม่รอดแล้วดูก่อนนะว่าตัวเองเนี่ได้แค่ไหนนี่ก็ ค่อยๆค่อยๆพันานี่ไงนี่ไงยืดยุ่กับตัวเองด้วยแล้วยืดยุ่กับคนอื่นคนอื่นมาเนี่ยเพิ่งมารู้จักอิสลามมาเฮ้ยต้องยุ่งต้องตตไม่หมดมทำไมทำไม่หมดนี่ยุ่งเงินกนกนรกเลย น, ะนรกคนแบบนี้ถ้าอย่างนั้นเขาไม่รู้ดีกว่านะพอทาไมรู้เนี่ยเอา ล, ละไมเอาโทษผมแค่นี้ก่อนนะ อมีคนเหมืันว่ามีความคิดเนี่ยเพราะพอไปไปหาทุกคนแล้วก็สอนแบบนี้เนี่ยทำไมทำเนี่นะเดี๋ยว Allah ลงโทษนะอย่างนั้นผมไม่รู้ดีกว่าไม่เรียนรู้ดีกว่าไม่ใช่เราต้องยืดยุนกับคนอื่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปสําหรับคนเรียังไม่รู้เรื่องอิสลามมันเหรอคุอเป็นผมไม่ได้พูดถึงคนที่รัอิสลามใหม่นะพูดถึงทั่วไปแม้กระทั่งมุสลิมดบิ่เบิ่มมาน่ะบางทีเนี่ยเพิ่งมาศึกษาอิสลมามนบีเนี่ยส่งมูอาตและก็ซาบานีไป ประเทศดีเมนสึง่งเพิ่งรับอิสลามกันวะอัสลามุณนบีให้ผมทำอะไรแรกเอาก็ฟัลียคุณอาวะและมาแต่ด oh um ูหุ่มิเลยสิ่งแรกที่จะเรียกร้องพวกเขานี่นะอันยศ شهاد อัลลอฮ์อีกแล้วให้ ش ه ا ดัก่อนฝ่ายนุ่มอาจาร์บูกะถ้าเขาสนองตอบรับเรียบร้อยดีแล้วนะฝ่าอาริมหุมจงแจง้งเขานาบีบอกว่าจงแจง้งไม่ชีเรียกเข้ามาแล้วก็บังคับให้เขาละหมาดนะ อาลิมหุมแจ้งเขานะว่ามีห้าวลาหนะฟารดูนี่ต้องละหมาดนะฝรั่นุมอญญาจจะบุก็จะเห็นเขาละหมาดสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเขา้าที่เข้าทางแล้วนะฝรัะงอาลิมหุมแจ้งเขาดีนะมีสากาัดนะเอาจากคนรวยแล้วก็ไปให้คนจนอาลิมหุมคือทุกอย่างมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปเ ท, ที่ยวดีเม้นนี่นะ ได้ให้พิสวจนในบนีมซิมจ็บลต่สาวานบีและนบีเยกว่าเป็นไซดูโละเป็นเป็นเป็นหัวหน้าผู้นาของอุามาในวันเกีย์มาในปฏิบัติในวยนี้เนี่ยกับท่านนบี้นนบีเนี่ยได้เห็นผลผลิตพอพวกชาวยเมนนี่มามารับอิสูจกับท่านนบีเนี่ยนบีก็เลยโอ้โหนบีทึ่งเลยคสอนที่มุอาซไปสอนเนี่ยจนได้ผลผลิตแบบนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นน่อบูมุซัยละชารี นบีจบาริสะดีอุคาร์มุสลิมอิมานอยมางนั้นน์และ ح ยมางนี้อีมานที่แท้จริงนั้นมาจากอิมานและ حكمة ปัญญาที่แทจริงนี่นะอยมานันแหล่งของมันไม่มาจากยิมานเพราะเห็นว่าเขาพูดเนี่ยชาวอิมนเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดพูดเรียบร้อยพูดดีพูดมีเหตุมีผลปรากฏว่าประเทศอเมนีนหลังจากที่อิสลามได้เข้ามาเนี่ยอมมานในก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคริสหลังจากคริสนี่ก็เป็นยิว หลังจากนั้นแม้เราจะรับอิสลามกันทั้งประเทศเหลืออยู่นิดเดียวเนี่ยหลังจากที่อิสลามเข้านี่นะี่ยไม่มีศาสนาอื่นเนี่ยสามารถเข้าเจาะไปในประเทศนั้นได้ไม่มีค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีประเทศหลายประเทศที่แข่งขนันเกินไปยืดยุ่นเกินไปที่ยืดยุ่นเกินไปนี่ สเปนแอนดาลูสยืดหุ่นตนกระทั่งอุลมาเลิกห้ามบาปใหญ่อิหม่ามคุรตูบีซึ่งไม่ใช่คุรตูบีที่อธิบายข้อหมายอุราอันุรตบีคนหนึ่งเขาได้ชระษัยมุสลิมมา ละกุรตูบีคนนี้เนี่ยได้อยู่ในยุคที่มุสลิมถูกขับไล่จากสเปนถูกขับไล่ทั้งหมดอยู่ไม่ได้แล้วกุรตูบีเนี่ยในฮะดิษบที่หนึ่งขาอธิบายว่าสาเหตุที่ไอ้เหลากอิสลามเนี่ยเริ่มสลายที่สเปนเนี่ยเนื่องจากว่าความชั่วร้ายโดยเฉพาะบาปใหญ่ถูกปฏิบัติอย่างแพร่หลายโดยที่ทํากันหมด คนชั่วก hey, um like ็ทำและผู้รู้ก็ยอมรับไม่เตือนไม่ห้ามยึดยุ่นเกินไปเฮ้ยเขาทำนี่นะฉันเขาไป้เรื่องเขาเรื่องระหว่างเขากับอัลลอ์ถ้ามีผู้รู้แบบนี้นะถ้ามีผู้รู้แบบนี้สังคมไม่ต้องพูดเลยฮะโอ้เลยมาใครอะอัลัยซุบนาบิสซลามนได้บอกว่าถ้าใน ในประเทศหนึ่งมีริบาเนมีดอกเบีย้ยแพร่หลายแล้วก็อุลามาไปขึ้นคุตบ้านเนี่ยพูดถึงเรื่องห้ามผิดประเวณีห้ามทาซินาเขกาก็บอกว่าอุลามาคนนี้เนี่ยทรยศคำสอนก็สิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยเขาต้องการคนเปลี่ยนนี่คือสิ่งที่มันถูกปฏิบัติอย่างแพร่หลายนี่ต้องพูดมากกว่าไม่ใช่เรื่องเงินย่าก็เลงบอกว่า ชิริกในประเทศไทยอนะทุกคือบะทุกคือมนะันมมีชิริกไม่เคยมีใครเขียนหนังสือร้องเรียนหรือไ้นีไม่เคยชิริกที่มันชิริกนะแต่พอหนังตะลงุงหนังเดียวนี่เรื่องเดียวนะหนังเป็นงโอ้โหเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็มาเขียนหนังสือแล้วก็จะไปร้องเรียนอะไรเลยอ้อาวไม่ดีเหรอไม่ดีสิครับไม่ดีเลย สรงภาพ่ะเพราะอะไรล่ะเพราะอันนี้นี่มันไม่ใช่ชีริกแท้อันนี้เป็นคนไม่เข้าใจคนที่ทำเนี่เป็นมุสลิมแต่ชีริกที่มันแท้แทเนี่ยที่ท่านนบีทานะขอทษนบีตอนเริ่มี่ศนาอิสลามเนี่ยเริ่มดาวนเนี่ยมกามุสลิมเต็มไมม่มีรูปเจวดเลยใช่ไหมเรียกว่าชีริกที่ท่านนบีต่อต้านที่มัการคือชีริกอะไร เลยทีไปร้องเรียนกันมนาะพูดไห ม, ท ม, ท ม, ทมทีที่มีทุกที่เนี่ยเขาเคยร้องเรียนเคยพูดกันมากพูดก็ไม่เคยพูดแต่พอมุสลิมเนี่ยเขาล้มนิดหนึ่งไปพลาดอะนิดหนึ่งโอ้ร้องเรียนแล้วมารวมตัวกันมากผิดสิพอมุสลิมที่เขาทาหนังตะลุงนี่จะเจอแบบนี้นี่นะไม่เขาจรับมาไหนไปเตือนเขาไม่จะรับแบบนี้ ไม่ใช่อยากมากนี่มันอยู่ไหนเน่ะคุณอยากจะเตือนมูซิเลมีไปหาเขายังไปคุยกับเขายังไปเตือนเขายังเป็นอาชีพนะหนังตะลุงที่ก็าทำในทางใต้ทั้งหมดเนี่เป็นอาชีพนะเขาทาหมากินกระซิ่งเนี่ยเคยไปถามเขามาท์เอ้ยหางานอย่างอื่นได้ไหมเนี่ไปคุยไปคุยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไงเป็นเรื่องเป็นราวอาร์ตูการนี่นะ ตุรกีเนี่ยเคยถูกถูกยกย่องในประเทศอาหรับว่าเป็นประททเทศโสเพนีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตะวันออกกลางเมื่อสามสิบสี่สิบปีนะโสเพ น, เ น, เนีตุรกีนี่คือเลิศเพราะอะไรผู้หญิงที่ขายตัวนี่คือหน้าตาฝรังเลยไงทั้งทุกานนี่พอมาเป็นเป็นทัวอิสตับุลเต็มไปหมดเลยโสเพนี ไม่สามารถเกินกฎหมายได้นะเพราะแค่พูว่าไงแต่สโสภีนี้นี่ถูกกฎหมายทำยังไงอ่ะหางานแสนตาแหน่งเลยแล้วก็ไปชวนตกงานไม่มีสโสภีนีคนไหนนที่อที่อยากจะทางานแบบนี้ตลอดชีวิตไม่มีหรอกหางานไดดีนี่บ้าหางานไดดีมีอะไรดไรวดวน้นี่ก็ไม่ทำพรากวนนี่ใตุรกีนี่ไม่มีสเียถึงกฎหมาย ยังมีอยู่นกะฎหมายที่อนุญาตให้ทำโสเภณียังมีอยู่นะแต่ไม่มีโสเภณีแล้วนะเพราะอะไรอ่ะเพราะแก่ถูกทางนมะ่เพราะตอนนั้นนะ่ะนะเขาก็สามารถสั่งการนะพวกที่ขึ้นขุดบ้านเนี่ยของดามันเลยพวกโสเภณีเนี่ยไอพวกที่มันขายทุกขี้ดามันเลยนี่เล่นงานมันเลยทําได้แต่เขาไม่ทําแบบนั้นไงทําในวิธีการที่วิธีการที่มันแก้ปัญหาจากต้นเหตุ ถ้าไม่สามารถอย่างน้อยเนี่ยเราค่อยๆพูดค่อยๆเตือนเขาแต่ น, นี่ไปยืนทนําหนังสือร้องอย่างกับเขาเป็ น, เ ป, นเป็นอะไรเป็นศัตรูอิสลามแล้วเขาจะเลิกหรอและคีว่ว น, นี้เนี่ยเขาจะเลิกหรอไี่ทางหรอและและคิดว่ากรรมาการอิสลามยาลาเนี่ยเขาจะสั่งเลิอกอ่ะแล้วเขามีอํานาจสั่งเลิกได้หรอคือพูดอะไรเนียมันี่มันมันไม่เซนให้มันกินกับปัญญาหน่อยสิ เราไม่ประสมมติเราไม่พอใจนะการขายเล้าไปหาผู้อาชชาติเลยเลิกขายเล่าก็ทธมน้องไอ้น้อง <c oughs> <c oughs> นุ่นน่ะแถวอะไรนะไปรสืสะพานะ แล้วก็ไม่ทิไม่ทิ้ไปแล้วก็ไปยื่นหนังสืออย่างเดียวไม่รวบรวมสักสองสามหมื่นชื่อนะแล้วก็ไปหานะักกฎหมายนะักมือร่างนะัร่างกฎหมายให้มันเรียบร้อยเนี่ยจะได้ยกเลิกขายเหล้าพี่น้องรู้ไหมเราจะมาหาอย่าว่าสองหมื่นห้ามืนนะพันคนเนี่ยมาลงนามจะได้เลิกขายเหล้าในไประเทศไทยเนี่ยผมว่าไม่ครบ ไม่ได้พูดถึงพุทธนะพูดถึงสังคมมุสลิมบ้างเราจะนดากฎหมายจะน่าไขเล่ามาฮ ύ, เฮ้ยเจ้าเวก่ะเอากันช้าให้จบก่อนกันช้านี่พักมุสลิมที่ไปยกมือยกมือนะพักมุสลิมยกมือนะนักกามอยกมือนะเพียบเยเนี่ยเ อ, เอาเรื่องเนี้ยให้จบก่อนก่อนที่จะไปถึงเล่าเราทำอะไรเนี่ยให้มันให้มันเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยเป็นเหตุผลแล้วให้มันเกิดคืออะไรอะ คือบางทีทำเรื่องมันไม่เสียแต่มันจะเป็นการสะสมแต้มเรื่อสะสมประสบการณ์สะสมผลงานจนกว่าจะถึงจุดแต่อันนี้เนี่ยมันสะ ส, ส, ะสมความแค้นความโกรธจากชาวบ้านคนตายทั้งหมดนี่ที่ไปว่าเขาเนี่ที่เขาทำหนังตะลงุงแล้วก็ดูหนังตะลุงนี่เขามองว่ากูุ่มนี้เนี่ยคืศัตรูมันพูดเนี่ยเห็นหพอเห็นในในนั้นนะ กลุ่มที่ออกไปไปร้องเรียนนี่นะโดนด่าเละเลยโดนหลายในปุ๊ดเช่นกันเราก็นึกไอ้กลุ่มนุ่นนะ่ะเขาไม่ใช่ว่าอยากจะทําหนังตะลุงชิริกนะไม่ใช่นะแต่เขาไม่ชอบที่แน่ไอ้คนที่ออกมาต่อต้านแบบนี้แค่นั้นแหละผมคิดว่าถ้าเขาเนี่ยรวมตัวกันแบบเนี้นะรวมตัวแบบนี้นะแล้วก็ไปหาคนนี่ตะลุงแล้วก็เขาพากระเช่าอะไรแบน บันมันอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะแล้วมีนักวิชาการกองค์กรนี้มันลองพิจารณาดูนะมันเสี่ยงต่ออากีไดนะ้ผมว่าแบบนี้มันน่าจะมีผลมากกว่านะแต่แบบนี้เนี่ยมันถ่ายรูปไม่ได้อะแบบนี้ไม่เป็นข่าวอะ่ะทิกตอกไม่ขึ้นอะ่ะยอดไม่ไม่เลิศอะ่ะไม่ไม่พุ่งอะ่ะมันต้องได้อะไรที่มันพุ่งหนักใช่ไหมครับก็ อดีตละหมะตุลีลาอัลลมินต้องถามตัวเองอะเราเป็นระห์มะเหมือนท่านลบีไหมเราที่จะเอากุร์อ่านไปบอกกับชาวบ้านเนี่ยเขาจะรู้สึกไหมว่าว่ากุรอานเนี่ยเป็นความเมตตาทำรับว่าเขาไหมถ้ารู้ว่ามามาล่อยบังมาเออมาเละเระวังมาล่อยบังรู้เลยนะว่ามาเฮ่ทาอะไรกัน รักมาพะคัมภีร์นี้ก็เป็นรักมาที่จริงเนี่ยพี่น้องพี่น้องดาวน์นี่เขาทาแบบนี้นะเวลาเข้าไปนี่ก็ดาวน่ยดาวน์ให้คนให้คนรู้สึกว่าเขาเนี่ยเขาไม่มีอะไรกับเขามีกลุ่มดาวน์นี่ไปออกที่ประเทศอียิปต์นะดาวน์ที่ประเทศอาหรับเนี่ยเขาเขาไปถึงบ้านเลยเขาไปเคาะประตูตามบ้านเลยนะ ตนหลังอัสรีเนี่ยเขาจะละหมาดอัสรี่เสร็จแล้วแล้วก็จะมีคนพาไปเขาก็จะบ อ, อกว่านี่บ้านนี้เนี่ยพอได้พอได้คนที่ในพ่อเข้าประตูบ้านหนึ่งไม่มีคนเข้าประตูครั้งที่สองตามซุนหน้านะสามครั้งครั้งที่สองนี่ก็ไม่มีครั้งที่สามนี่มีคนออกมาใส่เสื้อก้ามหมดหนา้าพึ่งมานี่ยที่ทำงานนี่จะนอนหน่อยไม่ได้นะทุย แล้วก็พ่นน้ำลายพ่นน้ำลายสุดๆเลยนะพี่น้องดาวานี่เขาทำยังไงขอมาอาด้วยครับผมไั น, นะครับอัสลมามมุลัยกุมันต้องเป็นฟองน้าขนาดไหนที่จะสามารถดูดความกโกรธของคนอื่นแล้วไม่ต้องโต้กลับคืออย่างเราเนี่ยถ้ามีใครพ่นน้ำลายเนี่นะ กูนี่มามัมชวนมาละหมานนก็มาทาแบบนี้นี่นะเรื่องเลยแต่นี่ก็เอาน้าลายเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอาพาดน้าลายชิดนี่ยชิดหมายถึงเขาไม่ต้องเกียดเลยน้ลายของเราไม่ต้องเกลียดเลยนะมามาอมามไปละเดี๋ยวเเมานี่มไปไหนเขาทึ่งพราคุณเนี่ยเป็นใครต้องการอะไรเราเราต้องการให้ท่านเนี่ยมาละหมาดกับเราเน ได้ได้ดูตามไปดูเปลี่ยนเสื้อแล้วตามไปความเมตตานี่มันเป็นกุญแจที่สามารถเปิดประตูหัวใจของทุกคนทุกคนโดยที่ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยให้มีความเมตตามีความอ่อนโยนมีความมีความมีความโอบน้อมกับคนอื่นนะครับผมขอฝากเพแค่นี้นะครับบอสละลออ a l l a m i h i l a h i s s h m a